คว า, างทามกันนะะน้องตาก็จะก็ยอมต่างใจโทษในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันเป็นโท ษ, โทษเหมือนกับชวนดูชวนเห็นเนี่ยว่าทัศนานุตตริยะ ผู้ฟังก็พยายามติดตามไปจิ่งที่พูดมันเป็นการสัมผัสได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเปิดขอบเป็นกรรมการทำได้ให้ผลได้เช่นกวองรู้เราก็รู้ได้ เรืาวมันหลงเราก็รู้ได้ในขณะที่มันหลงไปได้ไปฏิบัติได้ให้ผลได้เรามีสติแล้วก็ป้องกันควาหลงมีสติมันก็แก้ความหลงเปลี่ยนความหลงได้ทุกโอกาส แต่เป็นอะไรก็ตามมันทำได้จริงจรงิน่าจะไม่ยากง่ายๆการเปลี่ยนครองปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นส่วนตัวไม่ใช่มีบุคคลที่หนึง่งที่สองไม่มีวัตุที่หนึง่งที่สองมาช่วย เราหลงเองแล้วก็เปลี่ยนหลงไม่หลงเองเราทุกข์เองแล้วก็เปลี่ยนทุกข์ไปทุกข์เองอะไรที่มเป็นอกุศลต้องหลอยแล้วก็ให้เป็นกุศลได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมตองหลงเป็นอกุศลไม่ถูกต้องต้องปฏิบุแล้ว ความไม่หลงเป็นกุศลเป็นความถูกต้องมันเลือกได้อย่างนี้ไม่ต้องจนตรงนหนอย่าถือว่ามันยากง่ายง่าเจิดแต่มีสติมีความเพียรมีความตั้งใจชอบมีปัญญาขันธทางเวทิตศรัทธาวิยาปติมีความเพียร กิตามัติเอาใจใส่มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนลักษณะนี้ไม่มีเพศเมยไว้ไม่มีรัที่ไม่มีชาติศาสนาไหนมีคือชิวิตรวนรุนซื่อตรงถ้าความหลงเกิดขึ้นจะเราให้คนอื่นแก้มไม่ ไม่สําเร็จเป็นไปไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นที่เราให้คเอืนแก้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีปัญหาต้องให้เคนอื่นแก้จนมีรัตรธรรมโมนในโคกเตทรางกองทัพมิสตาอาวุธมีอาะไรต่างๆมันแก้ไม่ได้ แก่เท่าไหร่ก็ไม่หม ด, หมดถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่เราเราก็เจ้เองมันเจ้ได้สำเร็จแต่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันครบวงจรก็ว่าได้ต้องหมดของชีวิต คือตัวชีวิตเราทุกค น, คนเช่นหนุมน่มหวานามไฟให้ไม่เมือหลังกาไฟมันเกิดที่หนุมวานเอง <B it> ถ้าเมื่อมันมีไฟไหม้ <B it> เบืองกากคนก็ดับไฟการให้คนอื่นดับมันก็ไม่สำเร็จ จนเมืองลังกาวอดไป <c oughs> จะมีอะไรมากมายดับเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หมดก็มีไฟอยู่ตลอดเวลากับคนคนเดียวปิ้งไปไหนก็มีไฟไปถึงนั่นขึ้นบ้านก็ไม่บ้านเข้าป่าก็ไม่ป่า อยาทำไรมันจะเกดดับเพงหนุมานเอาเอาหางหางมาอยู่ไฟมันเกิดที่หางหนุมานแกงไปตอนไหนก็เกิดไฟแล้วแกงหนุมานเอาหางมาอมเท่านั้นเองไฟก็ดับทอหมดไปเลยนี่ก็เหมือนกัน อยากให้ปใหญ่ก็หล ง, ลงอยู่ที่เราเราก็เชื่อยังไม่ไปหลังเห็นเอาหางตัวเองมาอมแล้วก็ทำได้เพียงแต่มีสติมีความเพียรมีศรัทธามีปัญญานั่งอยช่เฉยก็เชื่อได้ ไม่ต้องไปหาดื่นว่าดับถ้าเป็นสุขเป็ทุกข์ก็เชื่อได้ในกายอยู่ก็เชื่อได้ในเวทนาทั้งหลายก็เชื่อได้ในจิตก็เชื่อได้นะทำทั้งหลายก็เชื่อได้ <c oughs> ยังแต่เรามีหลักสยอย่างเนี่ยมีศรัทธามีความเพียร มีกิจใจใส่มีปัญญาให้โลกสองลักษณะจิดโถกสุขทุกข์มันก็มีเท่านี้ถ้าว่าทุกข์ก็คือทุกข์คือไม่ทุกข์ก็คือไม่ทุกข์นันเป็นเกณฑ์ชี้วัดมีเกณฑ์ชี้วัดที่บอก อย่างครอบรอบหลวงปู่เทียนร้อยปีเอาอะไรไปขี้วัด จ, จึงแจดอบอกว่าร้อยปีถ้าอา่อปีปัจจุบันตั้งเอาปีเกิดมาลบมันก็เหลือร้อยเราก็มีเจดันงนี้ตอบได้มันมีเจอย่างนี้เรามันหลงจึงลูกไม่ใช่เราไป มงมงมเศ ส, าสา้าๆถ้ามันไม่หลงเราก็มีสติแล้วก็ป้องกันอยู่ไปในตัวเฉดเล้วความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์นี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยงยงากน่าจะกระตือรื่อล้อนมันลัดที่หมึเดียวเช่นผมปองูเขา จะไปทุกข์ขนาดไหนจะสุขขนาดไหนถ้าเราไรืหลักดีแล้วแล้วความเพียรชอบมีสติตั้งใจชอบมีสติชอบแล้วก็มีหลักอยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดโดยเพร่ะวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธ มีกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองชีวิตกรรมฐานชีวิตแห่งการกระทำมันเป็นที่เกิดของกุศลอกุศลคือกรรมถ้าจะเป็นวัตตะสามิเลตกรรมมบาก มันอยู่ที่ไหนทําไมจึงเบียนว่าอย่างนี้ทําไมจึงมีกิเลสทำไมจึงมีวิบาก ท, ทำไมจึงมีกรรมใช่กรรมก็ใช่อย่างไงต้องยอมรับเหรอยอมรับจงต้องทุกข์ใช่เวรให้กรรมต้องโกรธอ้องรา บ, บากต้องรับใช้ เช่นคนโซโบลีอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากก็ไม่เจดตัณหาดื่มเล่าโมยาอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากก็ดีคนชั่วอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากเช่นวอยู่เช่นนั้น มีผรมโลคมีสวรรค์<ม>หกชั้นมีผมโลกถึหกชั้นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีนิพพานอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ทำไม ย, ยงมีพวกผูงต่างๆมันก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมคือการการะทําวสุก็ยังติดก็ติดมันยากยากพันสซโบรี เห็นเล่าก็มการคนทำเชั่วก็มัการเข้าไปทำเรื่องนั่นไปคิดเรื่องนั่นไปพูดเรื่องนั่นแล้วก็ติดเคยคิดเรื่องใดไม่เคยเปลี่ยนเคยฉุกเรื่องไหนไม่เคยเปลี่ยนเคยทุกข์เรื่องไหนไม่เคยเปลี่ยนเคยหลงเรื่องใดไม่เคยเปลี่ยนเวลาเรามาทำกรรมฐานมันมาเข้าชิวให้เราแก้มาให้เราเปลี่ยน นั่งเฉยๆก็เปลี่ยนน่งแช่ได้ไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สองพอแล้วอาุดสมมติี้กายี้ใจเอาไว้เพื่อทับานอันนี้ไม่ใช่เพื่ออันอื่นใช้กายเป็นกรรมใช้กายเป็นกิเลสใช้กายเป็นบากก็ช้บได้ใช้กายเพ่ มีกรรมใช้กายไม่ให้มีกิเลสใช้กายไม่เป็นวิบากก็ได้เป็นกรอบเป็นกรรมยิ่ยงเราปฏิบัติธรรม <c oughs> มันก็บังให้แก่้ะมันก็มีหลงถ้าหลงอ ย, อ, ย อ, ยรรอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมถ้าโชคอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมถ้าโชคอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นรู้มันหลงรู้เส้นกรรม มันโศกรู้ชิ่นกล่กกมมันทุกรู้ชื่นกล่มจะเป็นกิเลสจะเป็นกรรมเป็นวิบากมันคือมันก็คือวัตตะทั้งนั้นจบๆทุกๆเป็นสังขารจุกก็เป็นสังขารทุกก็เป็นสังขารสังขารมันเปลี่ยนเป็นวิสังขารมันหลงไม่หลงมันคิดไม่คิดมีสติเข้าไป จนจนมหมดเชื่อเรีว่าปฏิบัติธรรมจนมันต่างเกา่าพ้นภาวะเดิมจากเดียบิงแรงงานที่ชอบงานนานชอบตั้งใจชอบตั้งสติชอบความเปลี่ยนชอบ อะไรต่างๆไปกันเลยเป็นพวงไปเลยมีสติละความชั่วก็เป็นฉินแล้วมีสติทำความดีใจใจเป็นสมาธิเป็นต้องศินเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาไม่ใช่ไปขอมีพิธีอันอื่นรูปรูปคำคำ เข้าถึงตัวเลยการปฏิบัติที่มีสติมันเข้าถึงมันไม่คิดถึงได้เป็นเห็นหอกพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเจอความเห็นหลงเจอความรู้เจอความสุขเจอความทุกข์เจอความอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยในกายในใจเนี่ยเห็นดต่เดียวอ ย, ยู่บ่อย เห็นเรื่องเดียวอยู่บ่อยแล้วก็มีคำตอบเช่นเราศ <c oughs> <c oughs> ึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องสมุนไพรเห็นต้นไม้ดูบ่อยตอมผัา ด, ดูตาเราดูแล้วก็ เอามารวมโลเอามาชีมโลมันเป็นรถรต่างลายตำราบอกว่ารถอย่างนั้นรถอย่างนี้เราก็รู้ได้จมูกก็มีกลิ่นบอกผิดบอกถูกตาก็บอกรูปลักษณนะรถก็บอกรสชาติเป็นยังไง ร, รถทั้งหลายคือรถ รสพระทองความหลงคือรสความรู้คือรสความทุกข์คือรสความโศกคือรสความโกรธโอบหลงโอบมหลยตัญหาคือรสแล้วก็เพียงรู้คือรสเห็นเป็นเพียงรสคือรสมีรสเดียวคือภาวะที่รู้รู้แล้วไม่เป็น แล้วไปหลงในรถสติมันจะทําให้ลดชื่อชื้อรู้แล้วโกรธก็รู้แล้วหลงรู้แล้วทุกข์รู้แล้วอะไรก็เคลื่อนรู้แล้ ว, ลวมันสะดวกจริงๆริงปฏิบัติทาธรรมเป็นกอบเป็นกรรมทำอันอื่นไม่เป็นกอบตัดกรรม ไม่เป็นมรรคเป็นผลเหมือนปฏิบัติเช่นมันหลงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงทนเจ้าความหลงพัตนาตวเแล้วรักษาตัวเองแล้วนัวว้นสุขเห็นบันสุขไม่เป็นผู้สุกขทนเจ้าความสุขพัฒนังแล้วทั้งกายทั้งใจนั้นทุกข์เห็นบันทุก เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ไปแล้วเรียกว่าพัฒนามันก็ดีขึ้นถ้ามันสุขเป็นผู้สุขไม่พ้นจากสุขเรียกว่าหายดระเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเราเกี่ยวข้องกับคิดเราอย่างไรอันหนึ่งหลายนนจะเจริญลง อันหนังวัฒนะเจริญขึ้นแล้ก็มีริงเดียวเนี่ยเราก็ทำได้แตเราทำแล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วให้ผลแล้วแล้วไปแล้วมาเท่าไหร่แล้วไปแล้วหนึ่งบอกเคิน สองหลกหลีกไม่ถูกถ้ามาต่ำก็โดดข้ามถ้ามาโสงก็กรบหงเรียกว่าคนมีสติไม่ปัญญาไม่มีอะไรถูกราสาพูดแบบสรุปว่าเห็นไม่เป็นคำว่าไม่เป็ น, นคืออะไรก็ไม่ถูกสุข ก, ก, ก็ไม่เป็นผู้สุข ตั้งเป็นการหลุดพ้นตั้งเป็นการปฏิบัติตั้งเป็นองค์มรรคตั้งเป็นการอยู่โดยชอบคืออยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่อยู่สุกตูไม่ใช่อยู่ยที่ไหนอาจารย์ตรงไหนไม่ใช่ในชีวิตเราเนี่ยมันครบวงจรทั้งหมดทั้งดูแล้ทั้งรักษาทั้งป้องกัน แล้วโล้ว่หาหมอโลภะ เ, าเบ า, า, า่งหอยาหอตาอยู่ที่นั่นตาหูจมูกอยู่ที่นั่นโลกอะไรอยู่ที่นั่นครบวงจรรักษาโลกอันนั้นโลกที่ตนให้คนช่วย ต้องมีแบบนั้นมีโรงพยาบาลมีหมอมียามีวิธีการรักษาเป็นโรคพราะนั่นก็ยังรักษาได้อันโรคที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันจะเป็นรูปโรคแบบนั้นก็ต้องอาศัยวัตถุที่นงที่สองที่สาม ถ้าเป็นโรคที่มันเกิดจากชีวิตจรินนะเช่นนามโรคคโกรธคของโลกคองงหลงอะไรต่างๆไม่ต้องมีอะไรแต่ถ้าเรารักษาโรคอันใดๆครบวงจรสุขภาพพ็ดีถังขอมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเะ ชีวิตของคนดีธรรมะมันจะพอดีชอบไปทั้งหมดชีวิตก็ชอบไปทั้งหมดไปชิ้นเพลองให้พุพ่มเฟืยโอ้ดีก็ไม่โศบเล่าก็ไม่เดืองไม่กเกลียไม่ชิ้นเพลงพลังงานแต่นอนก็หลับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นไม่ ไม่ตกกองวันเรื่งใดเสียวเวลาเสียเลยโดยเพราะความคิ ด, คดที่ไม่ตั้งใจหรือว่ามันหมดพลังงานถ้าคนที่ไม่ต้องคิดะลรยทางด้านจิตใจที่จะเป็นหลักเราก็ดีก็ใช้ได้แต่ถ้าเรามีโครคภัยไข้เจ็บไม่เกิดจากความคิด โดยจากการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนลูกผิดพลาดบางทีก็ความยากจนปัญหาต้องกากกรรมทางานเช่นอยู่ที่นี่ปัญหาผู้คนไม่เท่าไหร่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่เท่าไหร่เป็นข้างเป็นข่าวไม่ได้โหมแต่ปัญหาไฟไหม้เลย เนี่ยลำบากมากทีนเนี่นนยนอนอยูก็เสียงไฟไหม้เสียงต้นไม้ลม่มจะบอกไฟอย่าไหม้มันก็ไม่ไประชุมเรื่องไฟอย่าให้ไหม้อันเรื่องคนประชุมกันมีระเบียบด้วยกันป้องกันได้บุคคลที่ถึงที่สองที่สแต่ไฟไหม้ปา่าเดาตำบากว่าคือเนี่ย ก็ต้องโหนมหนมป้องกันรักษาแก้ไขป้องกันฤลดูเนี่ยก็ทำแนวกันไ่ป่าถางยาวเมื่อเวลาเกิดไฟขึ้นมาก็ต้องแก้ไขค ล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็โหูมเวลาเราโหูมแหลงเรื่องนี้ปัญหาแล้วนี้เกิดขึ้นเกีเ่ยวกับกำลังของเราอายุ ก, ก็มากขึ้นแต่งานก็มากขึ้นเราก็ดูราไม่ ไ, มได้อันนี้อาจจะเกิดโรคเกิดภยัย ปัญหามันอยู่ที่ไหนทำห้เรามีผลกระทบเหมือนกันแต่บางคนเสียีเป็นโลกขาดอาหารไม่น่าจะเป็นไม่ได้ลำบากบางทีโลกอาจจะเกิดจาก <c oughs> น้องมาทำนะเจ้า 80% ดบอป็นต์ต้องเหตบางชีวิตเลยทำให้เกิดปัญหาเจ้ตัวเองสุขภาพนั่นการปฏิบัติธรธรมนะ <c oughs> ม่ยงนจึงเป็นแค่ตัวอย่างก็เชื่อทั้งหมดในโลกเนี่ย <c oughs> แก้ปัญหาตัวอง่างวก็เชื่อไปทั้งหมดขขคือกายคือใจ ทำไมจึงแม่โลกมันร้องขึ้นเพราะคนทำไมเราจึงต้องดับไฟจึงต้องปลุก ป, ป่าเพราะคนถ้าคนไม่เช่อนับหนึ่งจากคนมันก็มันก็เชื่อไม่ได้จึงมาปฏิบัติธรรมแบบนี้ตั้งต้นจากหนึ่งคือเราเนี่ย ให้ดูแลกายใจของตนให้ดีถ้าดูแลดีๆคนอื่นจะไม่มีปัญหาเพราะสองก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมไม่ต้องมากังวลเรื่องไปเรื่องทำลายช่วยกันก็จะมันจะเป็นยาม้อใหญ่ ไม่ต้องเสียวเวลาบาดีมันก็อยู่ที่คนอากาศดีโลกเย็นก็อยู่ที่คนคนอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนี่กายไม่ใจเน่ให้มันเป็นชิทธิเหมือนกับเปิดออกแล้วก็ปิดไว้หนายขึ้นค่วลงทุกคนรับไปชอบตรงนี้ มันหลงเปลี่ยนไม่หลงมันถุกเปลี่ยนไม่ถูกมันทุกเปลี่ยนไปทุกข์มีไหมมีงานแบบนี้ไหมเขท่านตลาดที่กลมไปมาไปบ้ายสีวันห้าวันเจ็ดวันมีไหมงานแบบนี้ไมนี่แหละงานมนุษย์ต่างถ้ามาหลงเปลี่ยนหลงไปโลดังแล้วโถกแล้วมา่อนหน้าจะมีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่น ช่วยกันถ้าเราช่วยตัวเองไม่ให้หลงก็าเท่ากับช่วยคนอื่นไม่ให้มีปัญหาปัญหาคนน้อยหลงเก็บก็ได้ผ่วยก็ได้หลงไม่สัุ่ยสัลายหนึ่งละงเรามีสังคมเราไม่ชีวิตสังคมครอบครัวผัวเมียก็เป็นประโยชน์คนที่ไม่หลงก็จัด การงานดยเช่นสามีสามีก็ไม่หลงปัญญาไม่หลงตำหมาที่ที่ดีที่สุดตามพระธรรมคำสอนสามีสงข้อปัญญาอย่างไรย่อยกยองมอบความเป็นใจไม่นอกใจ จัดการงานตีควบคองรักษาขยันนขยัไม่เกียดกา้านในกิการทั้งปวงเรไามา่ต้องเสียเลากับความหลงความโกรธความทุกข์แล้วก็สนุกช่วยกันกัญยาเป็นคนดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ไม่พื้ร่วงใจรักษาทัพน์ที่ผัวหามาได้ไวขยันไปเจ็บข่ารังสุดกานลั้งตัวไม่นอกใจมันก็ดีอันนี้เราเสียเวลาก็กังวลเราในกันหมดพลังงานนี่ปฏิบัติธมันครบวงจรไปเป็นพ่อเปแม่เป็นลูกก็ไปนันก็เป็นประโยชน์ต่อกัน จึงมีอะไรเกิดขึ้นจากคืดเราเจากมือห้านิ้วสิบนิ้วเนี่ยไม่น้อยชีวิตที่เราอมาในโลกมาอยเนี่ ย, ยมาสร้างโลกด้วยมือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายิจัยของเราเนี่ยถ้ามันมีอะไรบา้างที่ยกมูอไหตัวเองได้เราก็ไม่เดินบุรีไม่สูกการพนานไม่เล่น ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช้งเงินเดือดร้อนตัวยังก็ไม่ทําห้เองเดือดร้อนเป็นมือผีมือของใายเป็นปู่เราแนี่ยคือปฏิบัติทํานาำไม่เกิดที่ไหนเกิดจากการปฏิบัติปีติดูแลกายใจของเราแต่ก่านไม่รู้เราเนี่ยเราเอาเน่นผิดเอา น, อา น, อา น, อานี่ถูกขี้พูนขี้นี่ไปเออ น, นั่นเป็นนั้นก่นนี่เป็นนี้นนเป็นนั้นเป็นนี่ ก็หลงก็มาน่าจะหล ง, รงพราะมันทุกข์ก็มาน่าจะทุกข์ทุกข์พราคนอื่นสุขเพราคนอื่นอาศัยไปห้อยไปแฉนกับคนอื่นมากทีเดียวเลยสมัยก่อนจับผิดจับ ท, ทบกตกเพราะใจครับอ่านอนอันนี้เอากำหนดมาขี้วัดยีไปห้อยไปแฉนไปเอากายเอาใจเป็นสุขเป็นทุกข์เฮ้ย เกือบเวลาจนอยากจะปัดตัวด้วอ้อยหลับนะเพรมันคิดนี่มันปัดตั้งอกสุกปกอันคิดที่ไม่ตั้งใจแต่บางคนกดดานเวลาเวลามันคิดกันมาด้านเวลาแม้ความโกรธก็ยังด้านในความโกรธข้ามันข้ามคืนคิดไม่ได้หนหลับก็บยังเอามาคิดอยู่ <c oughs> อยนะ้นโอ้มันกระโดด เ, เลาเเรามาเห็นแลนยนะกระโดดที่สุดว่าทุกเนี่ยเาว่าทุกเนี่ยดูชีสุดหัวใจเลยกะตือกตะลนนะกระโดดตรงที่มันหลงกระโดดตรงที่มันทุกกระโดดตรงที่มันผิดได้ไกจว่า ถ้าไม่กระโดดตอนนี้มันก็ข่าไม่ได้แล้วมันหลงปุ๊บโดมันชัดเจนกว่าอย่างอันสุกนี่เป็นมือสีขาวอันทุกข์นี่เป็นมือสีดำมันบังให้หลงแน่นอนมือสีขาวนี่มักจะหลงเช่นตัวต่อตัวเพลิงตั ว, วแม่แรงที่บินชนกระจก มันเมื่อสีขาวนั่งก็ยังชนมั น, มนสุกแต่มันออกจะสุกไปได้เมื่อสีดำเมื่อสีขาวเมื่อสีดำเนี่ยมันชัดเจนที่สุดมันชื่อว่าโหลงน่ยอันชื่อว่าโกรธอันชื่อว่าทุกข์นี่มันเมื่อสีดำํำสามารถที่จะ เชิดชูภาผภูมิใจในเรื่องนี้กันมากชีวิตของเราเนะ่ยไม่มีอะไรที่เอประเสดเห็นทุกเห็นอินประเสดของทีงอินบัศเสดจะได้พ้นมันจะไม่พ้นทุกแลวก็ไม่ประเสด อ, อะไรคิของเราแนละ้ว มันประเสรเพราะพ้นทุกพ้นหลงพ้นปัญหาที่มันเกิดกับกายกับใจเราเนี่ปฏิวัติธรรมแล้วถ้ามีงานแบบนี้ก็ทําเนี่ยมันจะจบมันจะสําเร็จก็เลยพูดอยู่ว่าความหลงเป็นขั้นสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายได้ความโกรธเป็นขั้นสุดท้ายได้ทําไมจึงไปหลงทําไมยึงไปทุกข์ทำไมจะไปโกรธ ไม่ได้จะเป็นอาช่นเราไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้นนะมันกระโดดมันพลังมีพลังบ้างตรงไหนเราก็จโจงนสวยใไม่กลัวแล้วอยากจะชวนอยากจะให้ไปทางนี้กันก่อน ไข ค, คนแก่แช่โซ่หลุดไปก่อนสนุกระบิดโล่งกว้างเป็นธรรมมาที่ปตายโกกาที่ปฏายอัตตาที่ปตายมีสิตธิอัตตาที่ปตา ย, ตตาตายบรรลงมีสิตไม่หลงท่วมหลงไม่เป็นธรรม ธรรมมาเทพบดายความไม่หลงเป็นธรรมธรรมมาเทพบดายสติร้อยเปอเซ็นเวลามันโกรธมีสติไม่โกรธร้อยเปอเซ็นต์ธรรมมาเทปไตายโลกาเทปไตายเป็นประโยชน์ต่อโลกที่ตัวเราได้เป็นประโยชน์ต่อโลกอนี่คือชีวิตของมนุษย์ให้มัน สำเร็จลงในชีวิตที่เราม่อยู่ดนะังอย่าประมาทไปไว้สักหน่อยรีบตรวนสักหน่อยไหว้ต้องไหนแล้วมันหลงรู้ไว้ว <c oughs> อาศัยกรรมฐานช่วยมันมีมีเครื่องมือเยอะยะก็เพียรศรัทธาส ต, ติปัญญาฉันทะ คือจตหาขอใจวิริยะเอาใจใส่จิตตะเอาวิริยะไม่ความเพียรจิตตะเอาใจใส่ลูกอยูนะ่หน้าวิมังสามันก็ต่างกันอยู่หลงไปยังไ น, นไม่หลงยังไงติตองเปรียบเทียบเ ห, หมือนหน้ามือหลังมือกหลงมานหะลังมาก็ไม่หลงมาหน้า ม, ม า, นะ ว, า, มมานะวิบังสา ภาษาภาษาพุทธยาภาษาบ้านเราหน้ามือหลังนามหลงไม่หล ง, ม, ลงมีมังสาอะไรมันถูกมันผิดเลือกได้คีวิตเราเนี่ยมันเลือกได้นะไม่ใช่เดือกไ่ได้เรียกว่าสัตว์ปัะเสริฐแน่ขอจันร์สนทน์ขอีห่วนร่วงถิงที่เราหลงคนอื่นไม่หลง มีอยู่ในโลกด้สิ่งที่เราทุกคนอื่นไปทุกมีในโลกนี้อยู่ในชีิตเรานะ่ะไม่ต้องไปมองใครที่ไห้เดี๋ยวมันหลงไม่หลงก็ได้ใช่เฉยๆเราไปเรามันทุกข์ม่ทุกข์ก็ได้นี่คือปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แก่ไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่เพศเป็นอยู่กับชีวิตจนล้วนเลย อันหลงใครหลงก็บางือนกันโกรธใครโกรธก็บางกั น, กกกกนทุกข์ก็เหมือนกันหมดไม่มีแก่ไม่ไม่มน่งสติก็เหมือนกันหมดนะ ต, นะตะน อ, อนที่พระเจ้าตะโกนชวนอยก่อนไิ่ชวต้องหลอยดูก่อนไม่จงหลอยพระเจ้าวันนี้ผ่านงานไปแล้วแก่คำสศนจังสมปรารถนาอยู่ เราม่สต um ja. ิเดี๋ยวนี้กับสติอยู่กับพระเจ้าอันเดียวกันสติของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้กับสติอยู่กับพระสาวกปัญหาหนังหลายอันเดียวกันมีทั้งหญิงมีทั้งชายภิกษุณีเรียกว่านักบวชผู้หญิงภิกษุสงฆ์เรียกว่านักบวชผู้ชายอุบาสกผู้ใกล้คิดกับธรรมอุบาสิกาผู้ใกล้คิดกับธรรมไปด้วยกัน แต่ว่าบริษัทเราหุ้นส่วนบริษัทให้ให้มรรคผลนี้ผานเจริญบริษัทเจริญคนไม่มีทุกข์มีโทษมีผ่านเป็นคนดีมีแต่มรรคผลนี้ผ่านไปทางไหนก็มีแต่อุนออ่นอกอุ่นใจ เดี๋ยวนี้มาอะไรเกิขึ้นดูยต อ, อะไรแต่นด้นก็เหยียบไม่ได้ <c oughs> น้ำก็ดื่มไม่ได้อากาศก็หายใจไม่ได้อาหารก็เป็นยังไงหวานไปลงหวานจานตุ้มเบ่าผ้าปิด ป, ปบบากบังปะหายใจไปเลย ح ح> <ham> ให้เราหพว่อ้หวานนะเอาผ้าปิดปาก จะพูดตลอดก็เออตอกบอกว่าเคยใช่มนกว่ากิดปิดเด็ดปิดปิดฮาฮา่อขนน้นะโลกเดชะใครเป็นคนทำมนุษย์เนี่ยแหละคนนอนอืมีสุกโตเนี ух, ่ยเหยียบได้แผ่นนตไม่มีสารพิษใดๆเลยเหยียบได้ที่อื่นจะไปเหยียบนะจะไปสารพาก็นเดินท้ากระต่า เอาหมอตรวจเลือดไปที่ไหนตรวจเลือดคนหลังเข่าเลยแปดสิเอร์เซ็นเลือดบวกม่สารตกข้างในชีวิตบางคนรวยวายทาไมฉันเนื้อปลูกผักกินเองไม่ใช่สารพิษอะไรอาหารก็ทําอยู่กินเองทําไมมีเกิดเลือดโบวกมีสานพิษตกข้างไม่เป็นเพราะอะไรแขนไม่ยอมแขนไม่ปฏิบัติ แบบนั้นไม่ประมาทหมอก็ถามว่าคนไปไล่คนคนเดินไปหรือคนหาะไปถ้าเดินไปทุกวันตามทางไม่ไล่เขาฉีดยากำมอกโซนฉีดจะพากไม้มีเยอะแยะเลยแล้วได้กินเดินเลเหยียบไล่ป่าผาหญ้าไปเขาฉีดกำมอกโซนเนาะหนึ่งกำมอกโซนน่ะหมอบอกว่า ใช่ไหมมันจะขึ้นสู่อากาศยีศ่สิบอร์เซนตจะไปค่ายาสองสิบปอรเ์เนอันหนึ่งลงไปดียี่สิบเปอร์นอันหนึ่งมันมาหาเรายี่สิบเอร์เซนตะก็ห้าแปดเก้าสิบอร์เซหมดอันไปค่ายายี่สิเปอร์ซนตอันสามอย่างมาหาคนตนนัวเดียวก็ทำมา <c oughs> ไปลองฟางหลวง พ, วกกพ่อโกมก็ภาพปิดปอก เรก็ว่่ไปป่ะต่อไปต้องใช้ออกซิเจนติดตัวไปไปเท่าไหนไหายเจ็บไป่ได้นี่แต่คาร์บอนมอนอกไซด์ใกล้อยู่กันยังไงต้องมานับหนึ่งจากเรานาะหยุดสซบูดีหยุดกินเหล้าอย่าให้เขาใช่โรงการผิดปุดีผิดจุลาผิดอะไรที่มันเป็นสารอย่าหลอกลวงกัน หากินมือนตุ่มเฉีวตุเดียวก็ตั้งบริษัทได้อย่าหลอกลวงกันคนที่บอกความจริงมีเท่าไหร่ในโลกแนีโสดเพีมีเท่าไหร่หมอมีเท่าไหร่กูมีเท่าไหร่โรงเรียนไม่สบแรงการพนันมีเท่าไหร่มันสมโดนไหมถ้าเรามาตั้งต้นแจะรอเราจะช่วยคนเดียวเลยตราสารจนปัดเจกับผลนับหนึ่งจากเราเนา น่าจะมีกำลังใจช่วยกันประเทศไท ย, ไทยนี่แต่พี่จะร้องกันบ้านพี่บางน้องปองตอกกันไปเอาใยกันได้ไม่ต้องมีเชื่อแดงเชื่อเหลืองเชื่อที่รชนะนะีวิตของมุษยคนเรนาะอ๋ออนี้ก็ไม้มีเสียงเลยนะกล <c oughs> ับเราก